อันการมาตาก็คือขันธะอริยตนะที่ไหลวนๆตั้งแต่อเวจี G, จนถึงปารณิมเมตวัสสวัสดีก็จนถึงพยามานเป็นที่สุดนะนะไล่ไปจนถึงพระเทวทัพพระเทวทัพเป็นเบื้องล่างพยามานเป็นที่สุดเนี่ยนะก็วนๆขันธอริยตนะที่เกี่ยวเกี่ยวอยู่แถวนี้เรียกว่าการมาธาบรรดาธา ท, ทั้งสามนั้นรูปธาตุเป็นฉนะัยเบื้องต่ํา ม, มีพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องบนมีอัคนิทัพรหมโลกเป็นที่สุด น, นะก็อ่ะ น, นะพรหมโลกกับพรหมปริสัตชาพรหมปรโรหิตามหาพรหมมาก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงอวิหะตปาสุทธสาสุทธสีอกกนิฐาอักกนิฐานี่หมายถึงในสุทธาวาสนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรหมปริสัตชาจนอาจถึงอกกนิถาพรหมโลกเป็นที่สุดสภาวะธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าสมาบัติก็ ด, กดีของผู้เกิดแล้วก็ดี ของผู้อยู่ด้วยสุขวิหารธรรมในปัจจุบันก็ดีที่ท่องเที่ยวไปในระหว่างนี้นับเนื่องในระหว่างนี้เรียกว่ารูปธาตุรูปธาตุนั้นเน้นไปที่ตัวฌานเน้นไปที่ตัวฌานทั้งที่เป็นกุศลวิบากและกิริยาอย่างเช่นที่เรียกว่าพรหมโลกเป็น เ, เช่นปริสัชชาเป็นเบื้องล่างอกติฐาเป็นที่สุดอันนี้หมายถึงชาติวิบากจิตชาติวิบากผู้เข้าสมาบัติหมายถึงกุศล ผู้อยู่ด้วยทิฏฐธรรมะศกขาวิหารหมายถึงกิริยากิริยาเพราะฉะนั้นรูปาวจรสิบห้าทั้งที่เป็นกุศลห้าวิบากห้ากิริยาห้าเรียกว่ารูปธาตุรูปธาตุนะไม่ใช่ตัวสีของพรมนะพรมสีของพรมไม่ใช่รูปธาตุแต่หมายถึงรูปรชานจิตที่เป็นกุศลห้าวิบากห้ากิริยาห้าเนี่ยนะ วิบากรู้ได้ยังไงก็คือพรหมโลกเบื้องต่ำเบื้องบนก็มีอะร น, นิตพรหมเป็นที่สุดอันนี้หมายถึงวิบากส่วนกุศลหมายถึงผู้เข้าสมาบัติส่วนกิริยาหมายถึงผู้อยู่ด้วยสุขวิหารธรรมเพราะนั้ก็รูปธาตุหมายถึงรูปาวจรสิบห้าคือกุศลห้าวิบาก5ห้ากิริยาห้าอันนี้ก็ควรรู้ยิ่งด้วยยาตาปริญญาเนาะ บรรดาธาตุทั้งสามนั้นอรูปธาตุเป็นไฉนในเบื้องต่ํามีอากาสาญจรัตนะพรหมโลกเป็นที่สุดในเบื้องบนมีเนวสัญญาณสัญญายตนะพรหมโลกเป็นที่สุดสภาวธรรมทั้งหลายของอสภาวธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิก ข, ของผู้เข้าสมาบัติอันนี้หมายถึงกุศลผู้เกิดหมายถึงวิบากผู้อยู่ด้วยสุขวิหารธรรมหมายถึงกิริยา ที่ท่องเที่ยวไปในระหว่างนี้นับเนื่องในระหว่างนี้เรียกว่าอารู ป, ปราธาตุนั้นอรูปราธาตุมีสิบสองคือกุศลวิบากและกิริยาแต่ถ้ากล่าวตามอัตกถาอัตกถานี้หมายถึงว่าการมภพชื่อว่ากรรมาธาตุได้แก่ขันห้ารูปภพชื่อว่ารูปราธาตุหมายถึงขันห้าอรูปภพชื่อว่าอรูปธาตุหมายถึงขันสี่อันนี้ถ้าพูดตามถ้าสุดตระสูตร ถ้าอัตถคถาสังคีติสูตรสังคีติสูตรเนี่ยแยกหลายในมากก็เป็นกุศลธาตุสามคำว่าธาตุสามนักว้างมากสังคีติสูตรคือกุศลธาตุสคือเน่คัมมาธาตุอพยาปาทาธาตุอวิหิงสาธาตุธาตุสามอื่นอีกก็คือรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธาตุธาตุสามอื่นอีกคือธาตุอย่างเลวธาตุอย่างกลางและอย่างประนีต เนคข ม, มาธาตุก็คือกุศลสังกัปปะนะความตรึกความตรองอันประกอบด้วยเนคขมะนี่เรียกว่าเนคขมะสังกปะเนคข ม, มาธาตุกุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าเนคข ม, มาธาตุส่วนความตรึกความตรองที่เกิดร่วมกับเมตตาเนี่ยนะความไม่โกรธเนี่่เรียกว่าสัมมาสังกปปะอันนั้นเป็นอัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรีอาการที่มีไมตรีสภาพที่มีไมตรีในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุต tn ี้ก็เรียกว่าอัพยาปะาธาตุความตรึกความตรองอันประกอบด้วยอวิหิงสาคือกรุณาไม่เบียดเบียนเนี่ยนะสัมมาสังกปะอันนี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุความกรุณาอาการที่กรุณาสภาพที่กรุณาในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุต tn ก็เรียกว่าอวิหิงสาธาตุอันนี้เป็น กุศลธาตุสามนะเนคขมทธาตุอัพยาปาทาธาตุอวิหิงสาธาตุเนคข ม, มะธาตุก็หมายถึงถ้าถ้าเป็นเนคข ม, มะสังกปะก็คือวิตกวิตกตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอัปปนาระดับปฐมฌานอันนี้เรียกว่าเนคข ม, มะสังกปะนะแต่ถ้าจะกล่าวให้เต็มแล้วกุศลทุกชนิดอันนั้นเป็นเนคข ม, มะธาตุส่วนอัพยาบาทก็คือ เมตวิตกที่เกิดร่วมกับเมตตาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปฐมฌ า, านเรียกว่าอัพยาปาทธาตุอีกในหนึ่งก็เมตตาทั้งหมดเนี่ยนะเมตตาฌานทั้งหมดอก็เรียกว่าอัพยาปาทธาตุเหมือนกันส่วนอวิหิงสาก็คือกรุณาในเบื้องต้นจนถึงปฐมฌ า, านเรียกว่ากรุณาหรือตั้งแต่จนถึง ต, ตัทยาฌานก็เรียกว่ากรุณาเหมือนกันอันนี้ทาสามนะ เนคข ม, มาธาตุอัภยาปาทาธาตุอวิหิงสาธาตุก็สังเกตดูว่าเมื่อใดที่เราเจริญอสุภะมากๆนะท่า ช, ชัดนั่นแหละเป็นเนคข ม, มาธาตุการที่น้อมไปเพื่อสละนะการน้อมไปเพื่อไม่โกรธอันนี้เป็นอัพยาปาทาธาตุการน้อมไปเพื่อไม่เบียดเบียนเป็นกรุณาเป็นอวิหิงสาธาตุส่วนรูปประธาต์อรูปประธาต์ก็กล่าวไว้แล้ว ในซ้ายมือนะส่วนนิพพานเรียกว่านิโร ธ, ธาต์ในคำว่าธาตุที่สงบประงับประณีตเลยนะส่วนธาตุอย่างเลวเนี่ยคืออกุศลจิตตุกบาท12คือทั้งจิตเจตสิกนะนีนอกุศลจิต12เจตสิกที่ประกอบ27เจ็ดเรียกว่าธาตุอย่างเลวส่วนธรรมที่เป็นไปในภูมิสามที่เหลือเรียกว่ามัชชิมะธาตุธาตุตามกลางโลกุตระธรธรมเ้าเรียกว่าปณีตาธาตุธาตุประณีด คำว่าทำทั้งหมดที่เรียกว่าธาตุพรอาธาว่าไม่ใช่ชีวะแบบเดรัทีคิดขึ้นนี่นนะนิสตตะนิชีวะนิศคือปุคละไม่ใช่ศักด์ไม่ใช่บุคคลแต่สภาพเหล่านี้มีอยู่แต่มีอยู่โดยความเป็นธาตุนี่นะอั้นก็ธาตุสามเหล่านี้ก็ควรที่จะเอามาฝึกมาทําปริญญาเหมือนกันเี่นะก็เป็นการฝึกการที่เจรณาโดยปริยายต่างๆโดยแง่มุมต่างๆก็ จิตเจตสิกรูปเนี่ยมันเป็นการย่อมาตามอภิธรรมมัทสังกหว่ว่ตาตัทธาวุตตาอภิธรรมมัทจตุธาประมาตโตเนี่ยนะอย่างว่ากาโดยดย่อแล้วอ่ะนะอภิธรรมปีดกทั้งเจ็ดคำพีเนี่ยนะถ้าจะว่าโดยประมาทแล้วก็คือจิเตเจตสิกรูปท่านจะได้ย่อแล้วจะได้คุยว่าเอาประเฉดที่หนึ่งคือจิตนะประเฉดที่สองเจตสิกประเฉดที่สามปะกินกิกะ ประเฉดที่4วิถีจิตประเฉดที่5กรรมภูมิเป็นต้นที่เป็นตายของจิตเจตสิกนั่นแหละประเฉดที่6กกรูปประเฉดที่7ก็เป็นตะกินกะประเฉด8ปัจจัยประเฉด9น น, นพวกนี้มันเกี่ยวกับสมถะวิปัสสนาอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคาถาเรกว่าท่านอยากจะย่ออริธรรมปีดกมาแต่งให้หรืออริธรรมมัตสังกะหะก็เลยเอาแต่สาระว่ามันคือจิตเจตสิกกับรูปซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยใช้ในพระไตรปิฎก แต่นี้ที่ท่านเอามาแสดงอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าพิธามนิ้วก้อยเอาไว้ให้นักศึกษาเบื้องต้นเอาไว้เรียนกันจะได้ไปค้นคว้าคมภีร์ระดับสูงต่อไปได้เห็นไหมแต่ทีนี้ของเราก็เลยกลายเป็นว่าเอาแต่คาถาเดียวมาใช้กับทุกเรื่องทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์มันก็เลยอย่างว่านะก็คาถานั้นมีอยู่แห่งเดียวน ะ, ะเฉพาะในคำพยาพิธรมัตสังหะด้วยอ่านะที่อื่นๆเนี่ยจะสันติพบไหม ก็ยังไม่พบเพราะฉะนั้นคาถาเดียวไม่ใช่ว่าไปนิยามไปใช้กับทุกเรื่องเป็นยาสารพัดโรคไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นะปริยายต่างๆพระองค์แสดงตั้งมากมายนะแต่นี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของท่านอรุท ธ, ธาจารย์ที่เรียกว่าถ้าเราจะเข้าใจพระธรรมแบบย่อๆแล้วไปค้นคว้าไปกระจายได้นะเรามาย่ให้หมันเหลือจิตเจตสิกรูปก่อนนะแล้วก็มาไล่แจกแจงไปอย่างนี้อย่างนี้นะก็ด้วยวัตถุประสงค์ของท่านเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของท่าน แต่ก็ไม่ใช่ว่านิยามนี้ใช้กับปิดกสามหมดเลยที่ไหนก็วิเคราะห์จิตเจตสิกรูปะนั้นผิดวิไยก็จิตเจตสิกนั่นแหละงั้นก็ยุ่งมากเลยครานนี้ท่า น, น, นก็คือขอบเขตของการใช้ศัพท์แต่ละแห่งก็ตามความหมายเฉพาะที่เฉพาะที่ไปเห็นไหมทีนี้มาดูอริยาศาสตร์สบ้างนะธรรมะสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยาศาสตร์ทุกขาริยาศาสตรทุกขสมมุทยัยอริยาศาสตรทุกขานิโรธอริยาศาสตร์ ทุกขานิโรทคามไมีปฏิปทาอริยสัตวันนานา น, านี่ยแปลว่าการขยายความการขยายความโดยละเอียดพิสดารเกี่ยวกับอริยสัจสี่เดี๋ยวไปเรียนในสัจจะนิเทศสัจจ น, นิเทศข้างหน้านะก็ข้างหน้าก็อีกระยะหนึ่งก็ถึงส่วนธรรมะหมวดท่าที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ควรใส่ใจใเป็นพิเศษเนี่ยนะในวิมุตตายตนาห้า ในวิมุตติสูตรปัญจาการนิบาต ท, ท่านยกมาทั้งแผงเลยปัญ จ, ว, ญจวิมุตต์ปัญจวิมุตตายตนานี้วิมุตตายตนะห้าวิอายตนะตัวนั้นนี่แปลว่าเหตุนะวิมุตตายตนะแปลว่าอายตนะแปลว่าเหตุเหตุแห่งวิมุตต์ความว่าเหตุแห่งการพ้นหรือวิมุตห้าประการนี่คือการสดับธรรมเทศนาที่ผู้อื่นแสดงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน อันนี้ข้อแรกนะสองการแสดงธทมตามที่ตนได้สดับมาแล้วเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่คนอื่นสาการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาสการตรึกถึงธรรมะตามที่ได้สดับมาแล้วด้วยใจหาอารมณ์อันสมควรแก่สมถกรรมฐานสี่สิมีกสินสิบอสุภาษิสิบอนุสติสิบเป็นต้นนะนะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุแห่งการ พ้นเหตุแห่งวิมุตติเหตุแห่งการบรรลุทั้งนั้นเลยข้อความพิสดารที่ยกในพุทธพจน์ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกวามพิสูจทั้งหลายศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะควรแก่การเคารพแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิกษุนั้นย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมคือเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจอัดเข้าใจธรรม ในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดา ห, หรือเพื่อนสะพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะควรแก่การเคารพแสดงธรรมแก่พิสุเมื่อพิสุนั้นเข้าใจอาาัฏฐเข้าใจธรรมะคือเข้าใจปัจจัยปัจยุบันเป็นต้นในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เข้าใจว่าโอ้บทนี้เป็นศีลบทนี้เป็นสมาธิบทนี้เป็นปัญญาบทนี้เป็นวิมุตต์บทนี้เป็นวิมุตติญานทัศนะบทนี้เป็นทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเป็นต้นเนี่ยเมื่อฟังก็เข้าใจอย่างนั้นก็เกิด ปราโมทขึ้นปลื้มใจเลยนะฟังแล้วปลื้มเลยนะถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เฟังก็เปลื้มเหมือนะเมื่อเกิดปราโมทแล้วก็เกิดปีติเอิบออิ่มใจเมื่อใจสหรคตด้วยปีติตายก็สงบกายหมายถึงเจตสิกขันสามเหมือนะผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นถามว่าตั้งมั่นนี้แค่ไหน อระักถาท่านบอกว่าตั้งมั่นด้วยอรหัตผลสมาธินั่นแหละนี่เป็นวิมุตตาัตนะเหตุให้วิมุตข้อที่หนึ่งในศาสนานี้ผู้บรรลุด้วยการปฏิบัติหรือบรรลุด้วยการฟังมากกว่ากันนะเคยมีที่ไหนอะนะไปปฏิบัติรวมหมู่บรรลุกันสิบโกดพร้อมกันไม่มีไปปฏิบัติด้วยกันนับบรรลุแปดหมื่นสี่พันไม่มีแต่ฟังแล้วบรรลุแปดหมื่นสี่พันถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยปกติมากๆเลยแปดหมื่นสี่พันเนี่ยอย่างพระสอนเรื่องเปรียดยากพระเจ้าพิมพ์ิสารเนี่ยบรรลุแปดหมื่นสี่พันสามครั้งเออขอไปเจดครั้งอะ่ะเจดครั้งอะ่ะพระพระองค์แสดงเรื่องเดียวอยู่เจดวันบรรลุแปดหมื่นสี่พหรือเรื่องในรัตนสูตรพระ อ, องค์แสดงอยู่เจดวันก็บรรลุอีกเจ็ดวันเลยแปดหมืนสี่พันอีกตามสูตรเนี่ยนะ แต่ละแห่งบรรลุหาประมาณไม่ได้เนื่องจากการฟังฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยผู้ที่มานาสิกานโดยเย็บขายเนี่ยบรรลุพราะการฟังธรรมมีมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยการฟังที่ถูกต้องนั้นอ่ะเป็นการฟังแบบฟังและเห็นจริงๆฟังเรื่องขันห่าไม่ใช่นึกถึงนึกถึงขันใช่ไหมขันไหนขันไหนเนาะไม่ใช่ขันตัดอย่างอื่นไหมขันตักน้ําไม่ใช่นะ ขันห้าขันแปดกอกขันห้าคืออะไรขันขันห้าก็ทูบห้าดอกเทียนห้าดอกโรยห้าอันอันนั่งขันห้าขันแปดก็ทูบห้าทูบแปดเทียนแปดโรยแปดอย่างเงี้ยนะนั่งเล่ขันแปดอันนี้ไม่ใช่นะขันห้าขันแปดอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้นึกถึงคําว่าขันแต่เป็นการพิจารณาชีวิตจริงๆและเอาชีวิตมาวิเคราะห์แยกแยะขันห้านั่งอยู่นะแต่ว่าท่านั่งก็เน้นไปที่รูปประขันใช่ไหมสมุฐานที่ทําให้เกิดการนั่งก็เป็น นามขันก็พิจารณาขันห้าเหล่านั้นขันห้าเหล่านี้เป็นสัจจะอะไรทุกขศาสัจจะเพราะอัฏฐาว่าเบียดเบียดเบียนเพราะอัฏฐาว่าเราร้อนเพราะอัฏฐาว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งเพราะอัฏฐาว่าแปรปรวนสมุทัยศาสตร์ ท, ที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เพราะอัฏฐาว่านำเกิดเป็นตนน้นเั้นการที่สามารถเอามาวิเคราะห์มาพิจารณาได้อย่างแท้จริงก็สามารถทํใาให้ บรรลุดได้